นะอันนี้อันนี้พูดแต่ในแง่แง่ดีไปแล้วหมดคราวนี้เราลองมาขึ้นแง่ว่าถ้าตัวตั้งเนี่ยถ้าตัวตั้งถ้าตัวตั้งตัวนําเป็นกรรมชั่วเป็นกรรมบาปที่มาเล่นงานเราถ้าคนนั้นเนี่ยดูนอย่างข้อที่หนึ่งดำรงชีพด้วยผลของความหมันปรากฏว่ามันทําอะไรหมันทําชั่ว มันทำบาปมันทำเลววันวันหนึ่งก็คิดเป่งโทษคิดรายต่อใครต่อใครเขาอย่างเงี้ยนะพูดอะไรก็พูดส่อเสียดพูดผิดศีลอ่าหรือว่าเป็นกายกรรมก็นั่นน่นะผิดอะไรอ่ะฆ่าสัตว์ชีวิตบ้งหรือว่าลักขโมยบ้างหรือว่าอะไรอ่ะเรื่องกามบ้างนะไปผิด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 ไม่อยากทําไม่อยากท ำ, กทำแต่ห้ามไม่ได้อะห้ามตัวเองไม่อยู่นะไม่อยากด่าใครเขาอ่ะเออหลุดอยู่เรื่อยหลุดอยู่เรื่อยหลุดอยู่เรื่อยไอ้อย่างเงี้ยมันก็คือความหมันเหมือนกันนะคุ ณ, ค, ณคุณทำบ่อยเหลือเกินเพราะนั้นถ้าถ้ากรรมเลวกรรมชั่วเนี่ยปัจจุบนะันน่ะทําอยู่บ่อยทําอยู่บ่อยทําอยู่บ่อยเขาบอกว่าคนนั้นนะ่ะดําลงชีพด้วยกรรมชั่วนั้นนะด้วยกรรมกรรมเลวอันนั้น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 คาระวะก็ยังมีสิทธิ์คว่ำบาตพระได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ผลปัจจุบันเนี่ยจริงๆครับผลปัจจุบันนี่จะแรงนะยิ่งถ้าผลปัจจุบันของกรรมชั่วนะทำอย่างมากๆทําอย่างยิ่งใหญ่ทําอย่างมาโหฬารโอ้โหก็มาแรงสีคนี้แต่เป็นกรรมชั่วนะมาแรงนะไม่ใช่ไม่ใช่ของเก่าเลยนะคนนี้ของใหม่นะนี่ ของใหม่เพราะฉะนั้นนะ่ะบางคนนี่ทำเร็วทําชั่วอะไรของใหม่เนี่ยพอทำปุ๊บโดนปั๊บเลยยิ่งถ้าเป็นนักบวชเป็นพระเนี่ยคุณไปพลาดคุณไปทําชั่วทํากรรมเร็วอะไรที่ถึงขั้นปราชิดคุณจบเพลเลยใช่มอะไรอะไรที่ต่อให้คุณทําดีมายังไงก็ตามนเนี่ยเต่อให้วิบากบุญเก่าของคุณมีใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปทํา บิบากบาปใหม่ที่โอ้โหหนักนาสาหัสหกันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคุณเพราะของใหม่มันใหญ่โตเหลือเกินไอของเก่าที่คุณทําดีมานิดๆิดหน่อยหน่อยสะสมมามันยังไม่เท่าไอของใหม่ที่ทําดีเลยวันทันทีเลยนะตูมเลยนะของใหม่นี่เล่นงานตูมทันทีจบเลยบาราชิกไปนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยชาตินั้นทั้งชาติเลยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ธบวชเลยแต่ยังมีสิทธิ์ทําดีได้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 พอจะเอื้อกันได้บ้างตามเท่าที่จะพอเป็นไปได้แต่เรื่องของธรรมะนี่คือคอขาดเลยไม่เอื้อให้เลยเป็นการลงโทษที่จริงเป็นการลงโทษนะเพรานะนั่นอันนี้ให้เรารู้ว่าโอ้โหระวังนะอันเนี้ยพวกเราเองแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นฆราวาสมันจะไม่มีเหมือนกับปาราชิกมันเหมือนกันล้วนะคุณเพียงแต่ว่าภาษาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่า เป็นปราชิกแต่โดยความเป็นจริงอะ่ะคุณเห็นไหมบางทีอะ่ะถ้าพูดแบบชาวบ้านบางครั้งโอ้โหบางคนโดนลุมประชาทันใช่ไหมเคยเห็นไหมบางทีไอ้พวกเมายาบ้านะแล้วก็โอ้โหไปจับเด็กมาใช่ไหมจะเช็ดคอเด็กหรือจะทําร้ายคนนั้นคนนี้เขาไอตอนที่มันเออเอาเป็นตัวประกันอยู่เขาก็ยังแม่นั่นแหะแต่บางทีถ้าหลุดออกมาตํารวจจับได้หรือว่าประชาชนจับได้ไปไง โอ้โหเขาอัดตรงนั้นแหละบางทีนี่เผล อ, เ, อเขาอัดตายตรงนั้นเลยอ่ะเนี่ยมันเหมือนกับเห็นไหมกรรมปัจจุบันเนี่ยถ้ามันทําเลวทําร้ายจกนกระทั่งโอ้โหคนเขายอมรับไม่ได้อะไรนี่ผลมันทันทีเลยนะแล้วบอกแล้ววิบากบุญของคุณก็น้อยเหลือเกินไม่สามารถมาเกื้อนหนุนได้เลยนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยวันเราเองพยายามอย่าให้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้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 ส่วนใหญ่คนที่จะห้ามจิตได้เนี่ยนะเพราะรู้ว่าอันนี้เลวแล้วไม่ดีเนี่ยมันมีฮิริโอตปะมีความระอายมีความเก่งกลัวต่อบาปเพราะฉนั้นในชีวิตปกติเนี่ยที่เราทํางานเราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันบางเรื่องบางอย่างแม้ว่าไม่ใช่โทษหนักอะไรนักหัดซี่หัดว่าอุ้ยนี่มันก็ไม่ดีนะอย่างเงี้ยเราไม่ทําได้ไหมก็ได้ ก, ก็ได้ก็อย่าไปทำสิบางทีหันหัดเลยหัดฝืนใจหัดงดเว้นออกมาก็อย่าไปทำมันบางคนเนี่ยไม่ต้องซื้อหวยก็ได้บางคนน่ะแต่ก็อช่วยเ้าหน่อยนะย้อนนะไอ้หนอยอนี่นะ่ะก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยติดนิสัยคนที่ปล่อยอย่างนี้บ่อยๆแล้วติดนิสัยพอถึงเวลาเรื่องใหญ่จริงๆมาที่มันท่ามใจไม่อยู่ละเพราะว่าชีวิตจริงๆ มันไปสะสมอ้อยด้นด้นด้นอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่างจริงก็โดนว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคิดอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยในที่สุดพอเรื่องใหญ่มันห้ามใจไม่อยู่วันใครเนี่ยจะห้ามใจได้เนี่ยอย่าประมาทในเรื่องเล็กเลน้อยพระพุทธเจ้าท่านถึงใช้คําว่าอะไรฮ ะ, ะโทษภัยแม้มีประมาณน้อยเนี่ยคุณอย่าประมาทพุทธเจ้าท่านใช้คํานี้เลยว่าอย่าประมาท วันบางทีเนี่ยบางเรื่องเล็กๆน้อยเนี่ยก็เราทำได้อยู่แล้วทไมไม่ทำอ่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเอาข้าห้องน้ำอายกตัวอย่างง่ายๆบางทีเข้าวห้องน้ำมันส่วนไปทสกรปรกทาเลอะเราก็เห็นนะว่าเราทำนะก็บางทีเนี่ยก็ไม่ได้รีบไปไหนอะ่ะแต่ก็เห็นด้วยเห็นแล้ว ก, ก, ก็เฉยเราก็ออกเกี่ยวกห้องน้ำแล้วก็ไปของเราเนี่ย ก็เห็นอยู่ก็ทําได้ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อะไรก็ทําได้แล้วทําไมไม่ทําเออบางทีก็อะไรเนี่ยขัดหน่อยเอาน้ําราดหน่อยหรืออะไรหน่อยมันก็สะอาดแล้วก็ได้แล้วล่ะแค่เนี้ยบางทีทําไมไม่ทําอะแค่นี้เนี่ยเนี่ยคนที่ปล่อยอย่างเงี้ยเรื่อยเื่อยปล่อยอย่างงี้เรื่อยๆมันก็จะสะสมไปเรื่อยจนในที่สุดถึงบอกว่าไอการสะสมบ่อยเข้าบ่อยเข้ามก็หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจนในที่สุดพอเรื่องใหญ่มันก็ทําไม่ได้แล้ว มันไม่สามารถบังคับจิตบังคับใจได้นะอ้าวอันนี้คือข้อที่หนึ่งอ้าวตนี้เรามาดูข้อที่สองคราวนี้ดํารงชีพด้วยผลของกรรมบอกงั้นนตอนนี้เป็นกรรมชั่วนะอ้าโอโ้โหคนนี้พูดง่ายว่าตอนนี้สวยจริงๆเลยสังเกตไหมบางครั้งอ่ะไม่ต้องคนอื่นหรอกเราเนี่ยแหละโอ้ยทำไมวันนี้มันสวยสวยนะตื่นมาตั้งแต่เช้าก็สวยและ นะโดนด่าแต่เช้าเลยหรือบางทีอะไรอ่ะวงเงียงงวงเงียงเข้าห้องน้าไปหก ล, มล้มในห้องน้อุย้ยสวยจังเลยมันยังไงนะหรือว่าไ ม, ไม่ก็บางทีโอ้โหทงานทาการอะไรก็โอ้โหิด พ, พ, พลาดพลา ด, ลาดไม่อาจจะไม่เจตนาแต่มันก็โอ้มันก็ทำไปแล้วมันก็เสียหายมันก็พลาดไปอะไรอย่างนี้เนี่ยคือคือพูดง่ายว่ากรรมเก่าที่ ท, ที่ที่เป็น บิบากบาปอะไรพวกนี้มันมีฤทธิ์มันมีผลที่กําลังมาแรงแล้วกาลังมาเร่งงานล้วแล้วแม้ว่าบางคนสังเกตมากเอ้เราก็ว่าเราก็พยายา ม, มาถือศีลเราก็พย า, ยา ม, มาปฏิบัติธรรมให้มันดีแล้วนะนี่นี่คือความหมันมันถึงบอกว่าตอนเนี้ดํารงชีพนี่ไม่ใช่ด้วยผลของความหมันแล้วคือเราก็พยายามทําดีอยู่อ่ะแต่ ในขณะที่เราพย า, ยามทำดีเอ๊ะทำไมมันสวยยังเลยก็บิบากบาปมันมันมาเล่นงานตอนนี้ทําอะไรเหมือนถ้าประตู่ภาษาง่ายๆโอ้ดวงตกยังเลยภาษาที่เขาจะใช้กันโอ้โหทำไมดวงตกยังเลยวันนี้ไม่ใช่เล่นไพนะ่นะเดมไพ่ก็นดเพราะว่าตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องเรื่อง อ, อกรคำชั่วนะไอ้คนที่มันไปเล่นไพ่นี่มันก็นทำคำชั่วอยู่แล้วอะ ไปติดเอบาบยามุกเล่นเล่นเล่นเล่นเล่แล้วก็เสียเล่นเล่นเล่แล้วก็เสียเนี่ยแหละพราะตอนนี้ต้องให้เสียเอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิบากเก่ามันมันมาให้เสียให้เสียเสียคุณก็ต้องเสียเสียเสียน่ะแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแหละสภาวะจิตตรงเนี้ยต้องระวังอยากจะเตือนเพราะว่าหลายคนเราชอบมาน้อยใจคือพอพอช่วงจังหวะชีวิตเจออันนี้เนี่ยชอบมาน้อยใจ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 หรือว่าเราทําดีด้วยมาจะมาเสร็จแล้วบางทีโดนตีเอาอย่างเงี้ยโดนว่าเอาอย่างเงี้ยจากจากจากคนนั้นนี่แหละมันชอบจะเป็นลักษณะเนี้ยแต่คุณไม่รู้อะบางทีนี่แหละมันเป็นผลวิบากกรรมที่สะสมมาบางทีคุณต้องโดนบ้างอะคุณต้องเจอบ้างอะ่พะพ่อบอกแล้วตอนนี้ดวงสวยแล้วนี่วิบากกรรมทางด้านบาปมันมาเล่นงานแล้วอะแล้ววิบากกรรมชั่ววิบากกรรมเลวม า, มาเล่นงานคุณเนี่ย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 ทำไมกรรมดีไม่ไ ม, ไม่ไม่ช่วยเราให้เราสุขสบายคือคือคือคิดจะจะเอาสบายเลยอะ่ะทั้งทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยสมมุติว่าหกล้มไปเนี่ยแขนหักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหักสองแขนเลยนะแต่จริงๆคุณยังมีบุญอยู่บ้างนะเออเพราะจากผลบุญที่ทำมามเลยหักแค่แขนเดียวอะ่ะแต่เราไม่ค่อยนึกอย่างเงี้ยใช่ไหมเราชอบนึกว่าโอ้โหทำไมเรายังต้องแขนหัก มันไม่น่าท้องแขนหักเลยคือคนชอบจะคิดต้องการความต้องการมันมากกว่าที่ที่ความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงกรรมเก่าเราเนี่ยมันบรรเทาได้ถ้าเป็นบิบากบาปมันบรรเทาได้นะไม่ใช่ว่าลถลงบัน้นย่อนลงบั้งไม่ได้ไม่ใช่นะมันบนรรเทาได้แต่ก็ต้องหมายถึงว่ากรรมดีของคุณเนี่ย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 แต่บางทีกรรมเบาๆอื่นๆเนี่ยเออเราไปทําผิดพลาดเอาไว้ใช่ไหมอาจจะผิดสัก30 40ี่สอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหนักหนาร้ายแรงอะไรเกินไปแต่คุณสะสมดีมาสังเกตไหมคนที่เขาสะสมดีมาถ้ามากพอสมควรเนี่ยนะบางครั้งเขาก็ไปทําผิดพลาดแต่คนจะมาติคนจะมาด่าว่าเขาเนี่ยก็มีนะเพราะว่าเขาทําผิดพลาดจริงๆแต่เป็นไงเวลเาก็มาว่า เขค่อนข้างว่าแบบนุ่มนวลหน่อยนะบางที เ, าเขาก็ เ, าเกรงใจนะเกรงใจค่อยค่อยอตำหนิอย่างนั้นว่าอย่างนี้อะไรต่างๆนั่นแหะมันจะมีเนี่ยเเนี่ยคือบุญเก่าของเราที่เออช่วยทําให้แทนที่เขาจะมาด่าเราแบบเต็ม30เลยนะเต็ม40เลยนะเขาอาจจะ ลดให้ครึ่งราคาฐานที่เป็นคนดีสะสมมาแล้วก็เ ด, ด่าเหลือสักสิบยี่สิบเองเนี่ยมันมีผลจริงๆแต่ต้องเข้าใจเรื่องของบุญเรื่องของกรรมอันนี้ให้ให้ชัดเจนส่วนอันนี้เนี่ยคราวนี้ตัวที่สดํดำรงชีพด้วยผลของความหมันทั้งดำรงชีพด้วยผลของกรรมโอ้โหเป็นไงบอกว่าตอนนี้กาลังเป็นกรรมชั่วเป็นไง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 บางทีนะอยากจะช่วยแต่บางทียังโอ้โหช่วยไหวหรือเปล่าเนี่ยมันจะชุดไหวหรือเปล่าเพราะประเภทนี้ส่วนมากโอ้โหหนาหนักมากประเภทนี้ปูถุพวกนี้หนาเพราะปัจจุบันก็ยังเลวอดีตก็เลวเพราะนั้นอนาคตเลวพวกนี้ยากพวกนี้จะยากมากๆเลยแต่ตอนนี้เอาละไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นพูดถึงเราเอง นะอาจอาจจะไม่ต้องพูดถึงกรรมอะไรที่มันใหญ่โตนักให้เราลองมาสํารวจตั ว, ตวเราเรามีอะไรบ้างที่ปัจจุบันนี้เราก็ยังทําบกพร่องทําไม่ดีอยู่ทั้งทั้งที่บอกแล้วจริงๆเราแก้ไขก็ได้เราเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่เรายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ป, ปัจจุบันกรรมของเรานี่เรายังทําบกพร่องอย่างนั้นหรือทําผิดพลาดอย่างนั้นแล้วก็ยังทํายกตัวอย่างที่ง่ายที่สุด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 เพียงแค่เห็นหน้าครั้งแรกก็ไม่ชอบแล้วอันนี้กรรมเก่ามีจริงทำให้เห็นหน้าครั้งแรกก็ไม่ชอบเลยนนี่คือผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วพอเราเห็นเสร็จเรารู้สึกล้วไม่ค่อยชอบเลยที่น้ากว่านี้เพราะฉะนั้นกรรมใหม่ล้วก็ไม่ชอบต่อไปเราก็ไม่ชอบต่อไปรู้สึกอะไรรังเกียจรู้สึกว่าอไอ้คนนี้ถ้ามาใกล้เราหรือมาพูดกับเรานี่เราก็ สวนกับหรือว่าเราก็ว่ากับหรือเราก็พูดมะนาวไม่มีน้ําใส่เข้าอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าคุณสั่งสมอย่างเงี้ยสั่งสมอย่างเงี้ยทั้งของเก่าทั้งของใหม่บอกแล้วอนาคตเป็นไงถ้าเกลียดมากๆเข้าเกลียดมากๆเข้าบอกเดี๋ยวไอ้คนนั้นน่ะหน้าหันแน่หน้าหันแน่คืออ้าวคุณโกรธมากๆเข้าคุณเกียดมากๆเข้าเพอเพอคุณตบหน้าเขานะอันเนี้ย ระ ว, วังเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยร้ายมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าโอ้โหนี่มันมีกรรมเก่ า, กามันมีกรรมเก่าที่เราถือสาเราไม่ชอบใจอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่เคยทำงานกันมาหรือเคยมีปัญหาอะไรกันมาแล้วเราก็ถือสาเราไม่ชอบใจแล้วคุณยังเก็บเอาไว้คุณไม่ได้ล้างในอยังคาค้างใจคุณอยู่นี่คือกรรมเก่า เสรีกรรมใหม่บอกแล้วกรรมใหม่พอคุณเจอคุณก็บางทีเนี่ยคุณก็ดึงสัญญาเก่าที่คุณเกลียดชังเนี้ยขึ้นมาอีกแล้วนะมาปรุงมาคิดมาเสริมใหม่เข้าไปอีกโอ้ยเนี่นะชั้นยิ่งเกลียดชั้นยิ่งไม่ชอบดูซิกันยังมาพูดยังชอบมาทํางานใกล้ๆชั้นอีกเวลากินข้าวก็ดูที่ชอบมานั่งอยู่ตรงข้ามกับชั้นเนี้ยให้ชั้นเห็นหน้าตาแกอีกอะไรอย่างเงี้ยโอเคปรุงไอ้พวกเนี้ยหนักขึ้นเรื่อยๆ มาบอกแล้วอย่างนี้ซวยเลยคุณแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแล้วคนนี้กำลังดำลงชีพเนี่ยดำลงชีพอยู่ด้วยจิตที่เศร้าหมองจิตที่เป็นอกุศลจะไปไหนรอดคนนี้นรกถ่ายเดียวบอกได้เลยว่านี่คนนี้นรกถ่ายเดียวเลยเพราะนารกนี่คือความสภาพของความเร่าร้อนใจใจมันจะหงุดหงิดมันจะลาคานมันจะโกรธเคือง มันจะถือสามันจะอากา่มันจะ พ, พยาบาทจองเวรอะไรก็แล้วแต่นี่แหละเพราะนอย่าปล่อยให้สภาวะจิตเป็นเป็นบุคคลประเภทนี้เพราะเมื่อรู้ตัวแก้ได้แก่ส่วนอันที่สี่นี่บอกแล้วนะคนที่ยังคิดอยู่ในด้านชั่วด้านเลวอยู่นี่เป็นอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางนะมีอยู่อย่างเดียวก็คือ ถ้าจะเป็นได้นะคือมันมาจากผลข้อสามนี่ถ้าจะเป็นได้ก็คือไปตกนรกมกไหมจนยังไม่ผลไม่เกิดคือ <c ười> จนยังไม่ผดไม่เกิดคือมันมันตกอยู่ในสภาวะจิตวิญญาณที่เรียกว่าโอ้โหมีแต่ความอาฆาตความพยาบาทความเร็วมากมากนะเร็วจนกระทั่งพูดง่ายว่าว่าไ อ, ไอความเร็วจิตที่มันชั่วร้ายอะไรพวกนี้นี่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 อย่างที่พ่อท่านบอกว่าอะไรเป็นลูกผีมาเกิด <c oughs> นั่นนะ่ะยกเว้นประเภทนั้นเท่านั้นเองที่เรียกว่าโอ้มันยังมีบุญอยู่บ้างนะมันถึงได้มาเกิดเป็นคนนะ่ะมันยังมีส่วนของบุญอยู่แต่พวกที่ไม่ยังไม่มีส่วนของบุญนี่ยังคงจะเป็นแบบสัมภเวสีอยู่อย่างนั้นแหละเ <c oughs> อะเข้าใจคําว่าสัมภเวสีไหอถ้าภาษาพูดเขาก็บอกว่าเป็นวิญญาณที่มันยังร่องลอยมันยังไม่ผุดไม่เกิดเลยออ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 ทำมาให้หมดเนี่ยง่ายๆแค่สองข้อเพราะว่าถ้าคุณทำสองข้อนี้ได้ข้อสามจะตามมาเองคือคืออะไระจำไม่ได้เหรอตะกี้เนี่ยกรรมเลวอะไรก็ไม่ทำเนี่ยบัปบพระปาปัสะอักกาลานัง <c oughs> ขานไม่ทำบาปทั้งปวง <c oughs> ใช่ไหมอย่างที่สองกุสละสูปาสัมปทา การทำกุศลให้ถึงพร้อมคือกุศลอะไรเอาเอาหมดอะ่ะทำหมดอะ่ะแล้วตัวที่สามเราจะได้คือจิตจะบริสุทธิ์ของแพ่สัจิตตะปริโยธปนังนะจิตมันจะบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นถ้าคุณเข้าใจง่ายๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาย่อง่ายๆเหลือเหลือแค่ที่พูดเนี่ยนะแต่อันนี้เป็นรายละเอียดนะที่ที่ที่แยกแยะให้ฟังนะอ้าวันนี้ก็ ก่อนไปนอนก็กำใครกำมัน